เรื่องบุญแจกข้าวกองหดตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยลองตายดูก็แล้วกันไม่เคยได้เห็นที่นี่ก็ไม่มีใครอยากลองเพราะตายล้วมันก็เสร็จที่เราจะบอกกันอย่างนี้เรื่องชาตินี้ชาติหน้าอย่าได้ประมาท ถ, ถ้าเราคิดว่ามันไม่มีล้วมันจะทำชั่วได้นิกธิ ป, ปาตันอัตตานิยนจะไม่ทำบาปทำชั่วไบบมีการยศเพศทั้ง กายสะเพื่อทาเมลานังทุกข์เโมกังปชะติเมื่อแต่กายทำลายขันแล้วตายไปแล้วย่อมเข้าไปโสโชคขติขออภัยเจ็บลิ้นมันพู้ไม่ชัดเทนี้เมื่อยอมเข้าใจอย่างนี้คิดอย่าง น, านี้แล้วก็จงเชื่อเถิ ด, ด, าาา บ, ดาาาบาก โลกไม่มีโลกหน้ามีบาปมีบุญนะมีนรกมีผลของกรรมดีมีผลของกรรมชั่วมีสมนุนธามผู้ประพฤติปฏิบัติมีเจตใจส่งส่งรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองประกะโลกนี้โลกหน้าให้เห็นชัดเจนนี้อยู่ท่านจะได้เข้าใจขีดจำกนันจะเป็นวิจารณิธิเมือ่อเราได้ทำบุญทงทางเพื่อที่ส่งกุศลแก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องแก่ลูกแก่พ่แก่เมียของเราอย่างนี้ก็จะมั่นใจถักว่า เล้วส่งตรงไปเลยโดยไม่ต้องรอให้วันสาระามาถึงวันสาระานึ่งที่เขาบอกว่าวันเดือนสิบนั่นเขาปล่อยเปรตปล่อยผีอะไรมานั้นพวกนี้สมสารมาไม่เคยทำบุญทำทานเมื่อมาแล้วก็ามารอคอยพี่น้องของตนเองมามาอยู่ที่บ้านนี่ช่องบนวนเดืนเดืก็ไม่รับการอานุเคราะห์ก็ไปที่วัดเพราะเป็นหลังสนุนตนเมื่อไปที่วัด ผู้เหล่านี้ก็จะยืนเฝ้ามองอยู่ในวัดคนไปวัดวันบุญเขาา้าศาบบุญเข้าวประดับดินบ้านเราเรียกว่าบุญขาา้าศสาบหาการื่อว่ากายศาสตร์แถวอีกเยอะเขาว่าสาราถก็จะไปเฝ้ า, ามองแลยซ้ายเลขวาเมื่อไร่น้องพี่น้องเราจะมาอยากจะเห็นหน้าพี่หน้าน้องหน้าพ่อน้าแม่ผัวเมียของตนเองมาแต่ของเขาของเรายไม่มาถ้าอย่างนี้กยแย่ที่สุดเลยท่านลืมไปหมดแล้ว แล้วคนโบราณจึงแบ่งเป็นห่อๆทำอาหารเหล่านี้เป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งกินเองส่วนหนึ่งแบังพี่แบ่งน้องส่วนหนึ่งก็เอามาขยายพระอีกส่วนหนึ่งก็เป็นห่อๆห้อยไว้ตามหลักไม้ตามเรือวัดตามต้นไม้เพื่ออะไรเพื่ออะไรจอกง่อยเพื่อพวกเป็ดที่ย่านลืมเหล่านี้เขาจะเลยมากินเมื่อพี่เมื่อน้องเมื่อมาภายในึเดือนมงหาวันไหนก็มึงมาเข้าช่วยอาศัยกินตามห่อตามนี้ก็ดีกว่าไม่ได้กินเมื่อกินแล้วเขาก็จะอุทิศ ส่วนบุญท่วงกุศมพระทุกข์ก็ให้ญาติพี่น้องของเราอ่าขอให้ผู้ที่ทําบุญทําทานหอมาเป็นอะไรห้อยไว้ให้เรานจนประสบกับความสุขความเจริญจงมีทรัพย์สมบัติมากมายแ ต, ต่กลองจะได้เดือดร้อนนานาประการแ ม, ม้แม้มาทำตัวนี้ตายไปแล้วก็ยจงได้เดือดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในโลกอันอุดมด้วยบุญด้วยกุศลแต่เป็นผู้เดือดร้อนในโลกนี้โอกไหนยังให้เหมือนพวกขา้าประจาวทั้งหลายเลยเปรยทั้งหลายก็ให้พอร หลังจากนั้นวันสุดท้ายยังไม่เห็นหน้าพี่หน้าน้องครบสิ้นเดือนเขาจะเอากลับคืนไปลงในโลกอย่างเก่าตามกรรมดามเลยเพราะตัเองไม่เคยสร้างคุณามความดีพวกนี้หมดหวังหมดอะไรในพี่ในน้นองไม่มีใครทําให้ทีนี้พวกนี้ก็จะเริ่มแช่งเริ่ม ด, าาด่าสาสุเด้อโรกร้านพ่อแม่เถาะแก่พ่อเมียญาติพี่น้องวกว่า ว่าบ่อเขาพระเจ้าบนรรบรรบ่ทำบุญทําทานตักบาทจาดหน้าใหม่ผู้ใดจกเชือสาถุดเด้อว่าให้มันตายตกนรกมกใหม่คือปู่ขาเป็นเพลเพลตั้งหน้าคือปู่ขานนี่เด้อประธาน ใครมันอยู่ก uh, ับใหมัน <sack> อ <surface> <ître> ุดมันยากมันทุกข์มันอยากเจ็บใครได้ปวดอดอดแอะแอะค้องไหล่เมืกอให้มันเสียไปเกิดอุดกับไฟอัคขีไฟน้ำรวมไฟไมมโจนขโมยลังเอายาให้มันมังมีดีได้เห็ดยาให็ยากห้ยขาดเห็ดยาหายมาขาอยาห้ขึ้นเด้อใครมันทุกข์มันอยากตายไปแล้วตกนรกเป็นเพเดีหน้าคือบุคคลนีเดเนี่ยพวกเราทั้งหลายยังให้ผีเพศมันมดามาสาบมาเชงเอานี่ทำบุญามความดีเอาไว้การทำบุญจอยข้าวนหลวาสรงต้น คือมันมีปัญหาอีกแหละมีปัญหาอย่างไงก็คือผู้ที่จะรับส่งนั่นคือไข่พระสงฆองค์เจ้าผู้ที่จะแประลรูปสิ่งเหล่าเนี้เหมือนกับบุรุษไปสันนถ้าดุรุษไปสันนิเล่นไม่เซื้อทํำยังไงฮะหลายลองเห็นออกท่านส่งจดหมายไปที่อื่นอย่างนี้สมมติว่าท่านส่งเงินไปด้วยท่านส่งดาบไปเข้าไปในซองจดหมายนะถ้าหาบุรุษไปสนันนมันไม่ดีมันใช่เออด่าเลยเซื่ออะไรส่องลงไป ใช้ไฟส่องลงไปก็เห็นมีด้ามมีเทปเนี้ยมันก็ฉีกใส่ลายมือปอนแล้วมันก็ไปเบิกเอาเงินทีส่งมาให้คนน้องนี่ไปเบิกบ ก, กินเซะเลยนี่เป็นยังไงือพี่น้องของเราก็ไม่ได้รับแต่เราก็สูญเสียเปล่าๆแล้วสมะนี้พระสงฆ์องค์เจ้านั้นแหละเป็นโพสแมนเป็นผู้ส่งพระสองฆ์องค์เจ้าเปรียบเสมือนผู้ส่งไปสนีบุรุษไปสนีคือโพสแมน เมื่อเราทาบุญทานทานกับทุกพระทุกสูตสองเหล่านี้เราควรจะได้เลือกสรรกันบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าวิจยะทานนางโสขสัสสะประสตังเลือกให้ดีๆแล้วจึงให้ทานพระสคตสระสันที่พวกนี้ไม่ได้บอกว่าลงมาทำบุญกับอาจารย์สมพบนะอาจารย์ไหนก็ได้ใครก็ได้ที่ประพ็ญปฏิบัติดีงามท่านจ่าเมื่อที่จะรู้ได้ท่านสังเกตดูก็ได้ปฏิปทานั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า พระสงฆ์เจ้ า, จาเป็นเนื้อนาบุนอย่างที่เราสวดกันเนี่ยบุญยะเคลตังอนุตาลังบุญยะเคลตังโลกัสสาติเป็นในเขตเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็มีพิธีกรรนาของเราถ้านาดีมีเมวอมีน้ำํำขาดได้สบายสบา ย, บายไม่มีดินเอียดดินเค็มดินมีปุ๋ยดีมีคันดีเก็บกักน้ำมีปล่อยเข้าได้เข้าออกได้สบายสบาย อย่างนี้การทํางานมันก็ได้ผลข้ามันกรอบรสก่อนงามเพราะพุทธิจารย์ทานกล่าวว่าด้วยกรอบที่สุดสังายนาดีย่อมทําให้เกิดผลพัญยะชาดีคือข้าวปลาอาหารเหน่นาดีคือประกอบไปได้วยดินไม่เข้มมีหนองน้ำไหลเข้าไปได้แล้วก็เปิดออกได้ไขออกได้ไหลเข้าได้แล้วเป็นดินที่มีปุ๋ ย, ม, ยมีปุ๋ยพืช อ, อาหารพืชอย่างเหน่เมื่อชาวนาทํานาลงํานาชนิดนี้ก็ย่อมมี ข้าวโดยเป็นออกเป็นรวมเป็นผลให้ดีได้น้ำเข็นได้จังหาะเนี่ยโซนนาได้ไม่ดีคือไม่มีเบื้องไม่สามารถที่จะส่งน้ําเข้าไปได้แล้วก็เป็นดินเอือดดินเค็มพร้อฉะันนั้นก็ไม่มีที่เก็บกักน้ําไม่มีคูไม่คันไม่องที่คนเวลาณบอกว่าน้าเคิร์นทางดอนสูงเสือเผือกบ่อคอนใหญ่พ้นเสี่ยงใจจ้นทุนนี่คือความคัดของห้ามพ้นซื้อประโยชน์เหมือนเราไม่ส่งน้ำน่าเสห่งเหี่ยวตายเกิดขึ้นมามันงอกแต่มันก็ไม่นัก ข้าพุทธิยาังหลายด้วยควาทุจรรยาเมื้เธอเทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเธอทั้งหลายเป็นนี้นาบนอันภัยสารของชาวบา้านคือหาบอดีทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายเป็นผู้มีประโยชน์เกิด ก, กุญอันเคาะแก่เธอเป็นอันมากแม้พวกเธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจนเป็นผู้ อ, น อ, อกกันเคาะเกิดกุญม์แก่ชนเป็นอันมากโดยเป็นเนี้นาที่เกิดบุญคือเป็นผู้ปฏิบ ประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามซื่อสัตย์ต่อทำปฏิบัตินี้ปฏิบัติจรงต่อทำปฏิบัติเพื่อขูกเจ้าเผาเลมไปจัดทำลายความยึดมั่นหรือมันความเห็นตัวตัวออกไปปฏิบัติสมควรแต่ฐานะภาวะเพื่อของตนที่คนอื่นเขากลับาผวายอย่างนี้ เธอทั้งหลายก็จะเป็นเนือ้อนาที่เกิดบุญเธอทั้งหลายอย่าเป็นเนือ้อนาที่ไม่เป็นบุญชาวบ้านจะไม่ประสบบุญอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ชายพวเนี้ยพราะนี้พระอ ง, องค์เจ้าเนี่ถ้าท่านป็นพฤติปฏิบัติดีงามไม่ว่าใครเร่ยน่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเือชุดเป็นเนื้ อ, อีกายมันดีทั้งนุง่งคึุนชื่อว่าโคเมื่อมันมีเรื่องมีเลได้รับการฝึกหัดดีแล้วกว่าลากเลื้อนล่างไถ่ปลาเอกรากไครไปได้ไม่ว่าจะเป็นงัวดำงูแดงงูด่างงูขาวได้ทั้งนัง้นไม่จะมป็นจะเป็นสีใด กบุญยาหันเปื้อนอย่างนี้คือชื่อว่าผู้ศึกตนดีแล้วลพอจะเปนผู้ประสบใช้งานได้แหละทาบุญทำทานได้เดีวนี้เราก็จะต้องเลือกพระสงฆ์องค์เจ้ากันหน่อยนะโยมนะ ท, ที่พวกนี้มันจะมาไปยกยกตนเองของคนอือ่นอะรตั้มาเนี่หันตั้งมาดูหน่อยไม่นี่จะมาทําบุญด้วยมันจะเป็ไหลไปเป็นสิทธิของโยมทั้งนั้นช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกวิจัยาทานนังสุขตาตัดตัดตัดทั้งโลกดยดีแล้วจะให้ทานพระสุโคสเล็กส่นี้ชท่านั้น นายเป็นสามีเป็นคนไม่ซื่อเราส่งเงินตรงทองสมเล็จส่งดาบส่งเท่อะไรไปมันฉีกเอาไปค้ายไปปลอมไปลายมือมีหนังสือพิมพ์ลงมาให้เห็นอยูเป็นประจำนี่เป็นอย่างนี้หนังสือพิมพ์ลงมาให้เราเห็นอยูเป็นประจำเป็นประจำแล้วเราเองไม่ต้องฉลาดเม่เช่นนั้นมันจะไม่ไหวเอานะยอมนะขอให้ท่านร้ายได้สังเกตดูให้ดีๆพระสงฆ์เจ้าทุกวันนี้เป็นจำนวนมากที่บูรณาบอกว่าคนทจะเป็นนักบวชที่แท้จริงมั้ มันไม่ใช่แต่เป็นโกผมผมจุบานนนในวัดอย่างเดียวนะมุนทัเกนัาสมโนบุงค น, นนี่ชื่อว่าเป็นสมนัพื่อนศีีสะลโลนอภัตโตอริการพนังไม่มีศิลาวัดดีแต่พูดไปพอีช้าโลพระสมมาโนเมื่อไปดูความโลภความอยากได้มุอนกับชาวบ้านอยู่อย่างนี้ สมโนกินภิสติเขาจะเป็นสมณะได้อย่างไรอย่าได้เข้าใจว่าล้วนๆมาเป็นพระลงไปหมดนะยอมจะเป็นเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญโยกแต่มันไม่งามนี่จะหมายว่พระพุทธเจ้ามีผู้ชนมา ย, ยุโยนนช้าวันหนึ่งพระโมคคัลลานะและพระลักษณะท่านไปไปฏิบัติธรรมท่า น, นไปพักชวนด้วยเขาที่สกูนุ่นขามบนนุ่นลายงอาจจะคส่ว น, นพระพุทธเจา้าในเวลวันหนุ่งเพื่อราบเช้ามาพระโมคคัลลานะก็ไปชวน ชพระลักษณะว่าท่านลักษณะผู้เจริญไปเถอะสว่างแล้วเรามาเป็นบินธบาที่นครราชคือกันเถอะทั้งสององค์ก็เดินลงมาในขณะที่เดินลงมาเนี่ยพระโมกขลลานะท่านเหลือบตาขึ้นมาบนฟ้าท่านหยุดกึ๊กท่านหยุดกึ๊กทันทีพระลักษณะก็ชนท่านดึกเอ้าท่านหยุดทําไมพระโมคคัลลานะท่านก็มองไปบนฟ้าแล้วก็สายแม่งตามมองไปหัวเราะไปยิ้มไปหัวเราะไปยิ้มไปพระลักษณะก็มองตามแต่ไม่เห็นอะไร พอพระลักษณะนั้นท่านไม่มีรทธ์ไม่มีเดชไม่มีอภิญญาแต่พระโมกขลานะนั้นท่านมันพูดมีฤทธ์มากท่านเห็นดูสิทุกอย่างที่ก่อเดชไม่เห็นน่ะแต่ที่พุทธท่านมีครบเครื่องอภิญญาหกและที่สุดทหน่นนยนนนวยยิ้ยมพระลักษณะบอกท่านเห็นอะไ ร, ร, ระเนเน ท, ท่านเห็นอะไรดูท่านมองเมือนกับท่านเห็นเนื้อเห็นตัวท่านยิ้ยมทาไมพระโมกขลานะก็เลยหันมายิ้ยม กับพระละขณาดบาผมบอกท่านไม่ได้สครับในช่วงนี้แต่คือผมพู่ในขณะนี้ท่านอยาหาว่าผมเป็นบ้าเอานี้ไปแล้วกันเราไปบิณฑ บ, บายฉันเสร็จเราไปกราบพระสารประดานต่อหน้าบุญพระพักของพระองค์แล้วผมจะเล่าให้ฟังในที่สุดทั้งสองเกเข้ามาบิณ บ, บาตในกรุงราชคกิดเมื่อนั้นฉันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสมัยก่อนไม่ก่อน ม, อมีวัดบาร้านโดยโตไร่ที่เห ม, หมาะเต้ยโคนไม้ริมน้องนงามริมห้วย น, น้องคลองพานนี่เลยท่านก็นั่งฉันกันแหละ วิจาราปัจเจเวปัสัะกาโดนโซปินจปาตังปุิโซบาลมิเรายุ่งวิจนราโดยแยกคันแล้วจึงฉันบินธะบานี้เมยวัฏวายยังมหายยานามทานายะมื่อใดฉันเวื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งให้อิ่มให้เกิดความมั่มันอันเกิดกำลังพลังทางกายเตยฉันด้วยความตั้งดูได้เห็นกายนี้เพื่ออนุเคราะห์ผมมือนกัน เมื่อพระพุมจะไม่บริสุทธิ์บริเลบุญสิ้นเชิงเพื่อทำลายเวทนาเก่าคือความหิวเพื่อมาให้เวทนาใหม่คือความพออกพอใจเกิดขึ้นสำหรับความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อจะไม่ให้มันเป็นโทษอย่างนี้เป็นโทษคือเกิดกํำยอบสับสนการประพฤปฏิบัติขั้นพิจารณาการเมื่อจะกินอย่างนี้มันจะมาทำปาบมุกมิ่งมิ่ิ่กับเป่าลงไปจักเบาหยั่งบอกเช็ดคือนซื่อบริจักสีอุศะเออเนี่ย ท่านชายแกก็ไปกลาบพระพุทธเจ้าแล้วจะกลับภูเขาพระว่าขณะท่านไม่ลืมท่านก็เลยถามท่านโกรานะผู้เจริญท่านลืมหรือย่างมีบนภูเขาตอนที่เราลงมาท่านมองบนฟ้าท่านยื้ยินมผมถามท่านบอกว่าจะมาบอกต่อเบื้องพระพักร์อ๋อพระมกข์ละก็เลยบอกว่าถ้ามยังไม่ลืมหวือเอ้าไม่ลืมมาได้ท่านก็เลยเล่าพระพุทธเจ้าฟังประพันเตยพระกวาฆ่าแต่พระมีพระเจ้เจริญอาภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตยเนออาจัรย์จริงพระเจ้าข้าไม่เคยมีเลยพระเจ้าข้า เมื่อตอนผมลงมาตอนเช้ากับท่านและษณะผู้มีอายุนี้ลงมาจากเขาที่สกูบผมได้มองขึ้นไปบนฟ้าผมเห็นโค้งกระดูกลอยบนวยขาด ยาวเลยบนเวหาดมือผ้าเหลืองพันคอพันเอวแล้วยังมีนกปากเลนแหลมยาวๆเป็นกลุ่มๆบินเป็นกลุ่มๆตามจิกตามจอดได้ยินว่าเสียงโคงรงกระโดดร้องโอดโอยโวนคางเจ็บรวดปฏิเทวนาฏยิ่งนนะักพระเจ้าค่ะพระมุทธจาหัยกมือขึ้นไหวทั้งบรวิวาสาธุดีแล้วสาวบกของเรามีอนุภาพจริงหนอสาวกของเรามีจิงหนอลูกาน่ขะนะ แม้เราเองก็เห็นมานานแล้วเห็นมานานเห็นเป็นประจำแต่เราไม่พูดเราเรอให้มีพยานเห็นด้วยกันซะก่อนบัด น, นี้เธอเองก็ได้เห็นแล้วดูก่อนโมคะลานะาพ้าที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่อะไรโคนบันดูวอยฟ้ามีผ้าเลืองพันคอนกตาปากรันรันบินจิกบินต่อเป็นหมูร้องให้โคนคางเก็บปวดปริเทวนานาการเลือดหลังเลือดไหลนั้นโมคนนี้อ่ะเมื่อก่อน เขาได้บวชในธรรมวินัยอัน菩萨ปณากระตระตัดไว้ไดีแล้วเมื่อเขาบวชแล้วเขาไม่ประพฤติตามธรรมสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเขาไม่ประพฤติเขาประพฤติหนอกรีบน่อร้อยติ่งที่ไม่จดทำไม่จดวินัยทายาาําร้าสตรสปัญาอุปชีวิกาเขาบวชมาเรื่องชีวิต สิ่งใดที่เขาจะได้เขาจะบอกกับยากับโยงว่าจะพยายามลอกลุ่นทำให้มันได้มันมีเขาแสวงหาด้วยความโลภเขาเห็นชาวบ้านเขาลบบูชาเขาอุปชีลิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตอุปจุลิกาบวชมือหลงนี่ดู่เหมือนกับชาวบ้านไม่ประพฤติไปฏิบัติธรรมมีจิตใจเหมือนกับชาวบ้านผิดแต่เขานุ่งผมจีบอนนอนนวดโกนหัวทั้งนั หลังากนั้นอุปธุงศก่าเขาบวชมาทําร้ายบรรทุตสลายสัตนาให้คนหมดศรัทธาต้วนศรัทธาเป็นบาปอย่างหนักเมื่อเขาสิ้นบุญแล้วเขาต้องไปตกนารกอยู่ร้ายกับกันคนใจนารกเขาต้องมาเป็นไตลัวอยู่ในเวหาผ่าเหลืมพันขอให้นกตาอันเป็นตําที่เขาเป็นเหล่าเป็นลุงเปอะไรมาเนั้นไล่จิกไล่ตออเขารับใช้กรรมเขาทนรุกเอเวทนาเธอต้องไหวเป็นสําเหนียกสมบวรระวังไว้ ทำยุตในอนราตัดดีแล้วเธอทั้งหลายจงพงกากันประพฤติทำเพื่อสมควรแก่ทําเถิดนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้และเธอทั้งหลายจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภ่ายหลังยังพิคเวสต้าราซาบาการนั่นกรณียังฮีเตชินา น, น, นุนนกนรรมปเกนันุกรรมบางอุปทานและกระตังโบตังมายาด้วยความพิจุตรต่างลายกิจอันใดอันพุทธตระดาผู้เอ็นดูสบายหาประโยชน์เกื้อกูนโดยอาศัยความเอ็นดูนั้นใ้การทาแล้วในสาธารณ กิจอันนั้นเราได้ทําแล้วแก่เธอทั้งหลายเอตานิพิคอรัญญานิุฆโ ม, มลานิสุญญาคลานิชาจะทำมาประมาณทัตมาปัชช า, า ว, วิปเิซาลโนอนุวัตถะด้วยความ่ิตุสงหลายนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอตัองง้งหลายจนไปทําความเพียนเผากิเลสเถิดแล้วเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี่ท่านโมมาวิปติสารโนวิปติสารตว่าเดือดร้อนใจ มาวิปัสสนาละโนอนุวัถะเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมือ่อภายหลังเหมือนแปดตัวนี้อายังโบอันห้างตังอนุซาตะนีนี้แล้วเปอนุซาตะนิคําสั่งสอองเาที่มีสอดเธอทั้งหลายนี่ทั้งหลายลองคิดดูพระนี่เป็นนาบุญแต่ถ้าทําไม่ดีเป็นนาบาปเป็นหัวหน้าตกนรกก่อนชาวบ้ า, บานใดด้วยจะไดเ้เข้าใจง่ายๆกันไปอย่างนี้ทีนี้มันโยนทําบุญทั้งทํากองหอดด้วย กองหดนี้มาทําความเขา้าใจกองหอกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะเวลาของเราพอมีอนการทำพิธีกองหดนี้ก็คือเทราพิเศษเทระแปลว่ามันคมพิเศษแปลว่าตั้งอต่ตั้งให้พระเป็นผู้มันคมยังอาจจมายังเป็นเทระไม่ได้เพิ่งเจะสี่พัน 4, สาเทระหนึ่งสิบพันสาขึ้นไปอาจจมาเป็นได้เพียงเทระจําเป็นนวะกะดุ แต่เดี๋ยวนี้เราเลด ก, กันไม่ไม่เรื่องแล้วใครกราไบวชสามั 3, 0, 10, 100, 100, นสิบวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งด ก, กันทั้งนั้นแล้วมันก็เราไม่เข้าใจการหออกสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ผู้สงคุณผู้คงแก่เรีตตนนยนเ ร, ร, รือนเบมวลนุ่ยมวกลางสรัทธาเป็นผด้หมอเป็นผู้มันคงในพุทธศาสนาโยนยาพ า, ากันจบห้าบริคานมาหดมาสมเป็นการแทงสมผ่า น, านให้เพื่อจะได้เป็นหลักใชัยม่เท้าสืบต่ออายุพุทธศาสนาต่อไปให้หันมันคงเขาจึงทํา ในหมโบราณนูน่นบวชมาแล้วรยันจบพว่วงมน้อยมนตางบวชอาเซวันนามนุ่คนละาสุดอะไรก็รอย่างนี้ก็หดให้กันทีเป็นทั้งแรกเป็นสําเร็จพอเรียนถึกถงกันมาจบไฟนุ่ยอย่างนี้จะเก็บสวดใส่อะไรต่างๆใส่นุ่ยใส่ใหญ่อย่างนี้ ก, นก็มารดอีกเป็นยาคู่มัเลยขึ้นไปนั่น ตกศัทธาประเดมโอรสอีกเป็นยาสารสขังดีซีเป็นญาธารสขังดีหาเป็นญาเธอหสคังดูหกเป็นญาหยั่งอันอย่างนี้เพราะนั้นศักดิ์ศได้จากการบวด ชาวบ้านเขารบศรัทธาท่านก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเอาน้ํามาแทนใจน้ําม่มีสีไม่มีกลิ่นเอาแดงเอาดาเอาเขียวใส่ลงไปในน้าน้ำจะเป็นสีแดงสีดำขาวหวานไปใส่น้ำจะเป็นน้ำหวานเอาส้มไปใส่น้ําเป็นน้าส้มเอาเหม็นไปใส่น้ำเป็นน้ำเหม็นเอาหอมไปใส่น้ำเป็นน้าหอมน้ําพร้อมที่จะแต่รูปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับจิตใจคนเอาดีไปใส่เป็นใจดีชั่วไปใส่เป็นใจชั่วใจแกบใจกว้างใจจืดใจดาใจอะไรจักต่างเนี้ยคนก็เลยเอาน้ํามาแทนใจสลางล่างออมาเป็นรูปประธรมวัช ชาบ้างเขาลดศรัทธาท่านแล้วทำบุญทำดัำดงครั้งนี้ขอลดท่านเพอแต่งตั้งท่าด้วยความการลดศรัทธาก็เลยเอาน้ำมาเป็นเครื่อนแทนใจยังไม่พอเอาน้ำอบน้ำหอมไฟ ใ, ให้น้ำนี่กลายเป็นน้ำหอมแสดงทึ้งใจที่หอมหอมอบอวนด้วยศรัทธาปลกกาปลาพระฤาษีในสิ่งในธรรมของท่านนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแสดงออก คนโบลาณจึมีการหดหอดทีนี้มันก็ได้เปลี่ยนชื่อสมณศักดิ์คือว่าถ้าบวชเป็นสามเณรก็เรียกจัวหาศึกออกมากรเรียกเสียนน้อยบวชเป็นภาพเรียกว่าเจ้าหัวมาจากคาว่าเจ้าอยู่หัววายเลยเจ้าหัวจัวน้อยมันจะกคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยว่าวยเลยจัวน้อยพอศึกออกมาเรียกเอิ่นบาทิตมาจากคาว่าบันบิตพุท ธ, ธกะก็เลยเรียกธิหอดสองครั้งแรกเรียกว่าสำลัจศึกออกมาเรียกการหอดสองครั้งที่สองเรียกว่าชา เธอออมาเลยว่าจานชาหดเธอสารหนึ่เอื่อนว่าเนี่ยคู่เธอออกมาเอื่อนว่าจานคู่หดกันที่สีเรียกว่าเนี่านแต่เธอออกมาเลยว่าจานทานต่อจากนั้นเธอเอื่อนเนียอย่า ง, างกับจะจักกต่กานเธอจากจานนั้นเ อ, องไปการผสมจะต้องกัดเครื่องหอดสองให้ครบเครื่องหอดเครื่องสรงมีผ้าสังขาติมีจีวรส บ, บงประคดเอวมีคนกองเข็มผ้ากองเนื้อมีตัดเล็บ แล้วก <Pop> <S an uter> so like ็มีผ้าห่มมีสีแดงเหลืองรองเท้าขีดไม้เท้าเหล็กตาละบัดหงวกวอมวมกากระมือนี่อาจจะเป็นพวกไอที่เขาทำขายอุ่นๆน่ะฮะยังเมื่อคืนเขาเออนี่ยังเขาเอานี่โม่งแล้วก็มีเสื้อสายอาสนามีดชานะคันมาเงี่ยงหัวโอไตฝ่ายในไหม้ลอนนอกใจมันก็มีเครื่องประกอบเพื่อจะต้องทำให้มีในวันงานอมนี้เลาเป็นตัวอย่างให้ฟังเครื่องประกอบปองขวดมีหองขด หลังจกนั้นก็ยังหลาบเงินหลาบคํามีมีหินเอาไว้ลองเหยียบในว่าศิลาอาดแล้วก็มีเทียนกิ่งเทียนกลับเทียนเลือดใบสีน้ำํำหอมหองหดนี่ทำดว้วยไม้แกนขุดเป็นรางยาวเป็นหกซอกเจ็ดซอกผูกพลางมันเป็นหน้าเป็นประยานหนะักที่คอยเจาะรูกลมๆสาหรับให้น้ําไหลลงเอาเหล็กเส้นหนึ่งแต่ที่เรากําลังเห็นกันนะะอย่างนั้นอนะ่ะแล้วก็เปิดเทียนไว้ที่ตัวหองหดนั้นก็เป็น ก็ลองเป็นพวกลูกหน้าที่เป็นต้นแบบของวัดวัดมีวัดวเป็นประจำอย่างที่วัดของเราปวกกันยังจะกินหมดแล้วในวัดบ้านลาบเงนินหลาบคําเงินคําที่เป็นแผ่นบางๆกว้างสองนิ้วส่วนยาวก็มีกำหนดแต่นี้กว้างสองนิ้วขันเงาหในบัตรฮดจาเลสเพียงตาเนี่ยซาเพียงหงอยคู่หอบนอนแผ่นเงินเรลวกว่าหินเลยเยบัตรแผ่นคำเลวกว่าสุวรรณนบัตรเป็นนีนน่าเพียงตาสําเร็จเพียงตา ก, ก็คือวัดวัดนะ วัดจากเอหางตาจากหางตาเนี่ยคู่ตําเนเพื่ตาวัดจากตานี่มาตาหนี้เนี่ยตานี้มาตาหนี้มันก็เลยยาวหน่อยถ้าตําเล่นเพืนตาเนี่ยซาตุมหูวัดจากหูหี้มาหูรี้มันก็กว้างมาเนี่ยคู่หอบงอนหอบงอนมันกว้างกวูหูกวูสายัดทแสดงว่าต้องใช้เงินมากใช้คํำมากอันนี้หลับเงินแต่คนงานบ้านเนี่ย ใช้หลาบคําเอาคำเลยตีเป็นสองนิ้วแล้วก็วัดรอบบอนหดสองให้เป็นสําเร็จเป็นตาเป็นหลาบคำใช้หดสองให้เป็นยาคูยาฮานเนี่ยหดลงใี้สาเร็จให้วัดจากหางตาซ้ายไปหางตาขวายาวแค่ตาดีแหละหลาบเงินเรียกว่าสําเร็จเพียงตาหดสองให้เป็นยาชาเกาะวัดจากคูจากหูขวาไปหาหูซ้ายยาวแค่นี้แหละเรียกว่ายาชาเป็นคูคันหดสองให้เป็นยาคูวัดรอบหัวนี่แหละเรียกว่า เนี่ยคู่หอบงอนนี่หลาบนี้เรียกว่าหลาบเหมือนท้าผ้าคนให้เป็นเนี่ยทานบานัตหอบงอนเลยหลาบคำเลยได้บัตรคำนี้ ตกเป็นความรู้สึกผู้หดตัวตนี้จะไม่โบราณเขาหลังนั้นแต่ืออกมาเป็นเนเป็นคําแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เรารวยอืดซาเลยอาตมาว่าเดี๋ยวนียังโชคดีนั้นที่โยมเอาเทียนเอามาเอามารูปนู่นนใส่รู ป, ร ป, ร ป, รปหน้าบางๆเป็นลาบเงินล า, าบคาแทนเงิน แ, แทงคําจริงๆครับเป็นกวันโอ้โหคําบาท น, นึงเท่าไหร่แล้วตั้งห้าพันกว่าถ้าไปหอบงอนแล้วก็จิ้ขายโอ้ยลดทีหนึ่งได้เป็นเกือบแสนเป็นแสนเลย เมื่อู้ซ่าพายจะเลนกันมาบวชภาวนาทุกวันนี่กองบุญนี่พอหอปับ๊บไปหาเจ้าขายเลยขายเจ้าขายกองบุญคนสีชือ่อบกองบุญค่อยค่อยขายชื่อเอามันเป็ซื้อเหล็กซื้อหวยลักษณะเช่นนี้มันเชิพย์หายไปว่ามันทำลายสัตนาโบราโนู่นเขาคดกันเงินหลาเงินหลาบคำคนที่พุกคนดูนจะมีใจจะมั่นคง ทำเป็นอย่นี้ไปการตั้งสมณศักดิ์เดี๋ยวนี้ก็สมควรเลยละเอาเชียนขี่เพล่งมาลูดลู่มลู ด, ดต่ลานเงนเป็นลาหมืม่นลาวคำเพาะอดจะมาไปหาขายได้เนี่ยหาเจ้าขายก่องบนกุ้บแม่เกาหลดปัดแทนที่จะอามาไว้เป็นสมบัติของมัดขอ ง, ของวา่า เป็นพันธะคาลิคสาหรับผูกใหม่นี้ก็ได uh> ้ใช้โดยซ้อยเป็นสำหรับโครงการไหวบ่อนแล้วว่าจะเจ้าของควรจะไปหาเจ้าขายไปถ่าแล้วเห็นจากได้เงินไปถือเหล็กได้เงินไปฝากธนาคารสืมใช่ไหมพระยังแต่เมื่ก่อนเป็นอย่างเงื่อนดอกเขารถดึงเงินด้วยคันจริงๆสมัย้ควรจะเอาเงินเอาคําไปรถพระนะทำลายศาสนาเพระพระไม่มีสิ่งนี้ทาเห็นที่จะมาเป็นประโยชน์แก่ศาสนาดุยจางเงินได้หลายซิกคนได่นะกกำลังเล่นไป ทีนี้หลาเมื่อลาคำี้จะต้องต่อเป็นพระพุทธสุภูหดสมต่อมาศิลาอาดก้อนหินรองนั่งเลือกศิลาอาัดเป็นก้อนตรงเวลานั่งยอมขาลงมาเรียกว่าบัลลังศิลาอาดวางไว้ใต้หงส์หกตามโฮม์หดโอ้ยเจ็บเลียนบอกอยากเลยตรงที่เขาจะเจาะเป็นดูกลมๆเอายาแพกเอาใบกล้วยเอามารองไว้ข้างล่างให้พระพุทธุนั่งในเวลาหดสมเทียนตี เทียนเป็นทามกิ่งค่ากับเกิ่งไม้หรือว่า เ, าเทียนกิ่งเอาเทียนกิ่งมาสองเล่มเล่มนึงทําเป็นต้นไม้อีกเล่มนึ่งหักตรงกลางปิดกันเข้าเทียนกิ่งก็ทําให้พอจํานวนแก่พิสูจน์ที่จะไปหอดสงเวลาหอดสงจุดเทียนกิ่งสามคู่เทียนกับสามคู่เตะไว้ที่หองหดเทียนและเทียนนี้ใช่หนึ่งคู่สําหรับจุดถวายพระพิสูจนที่เอาหอดสงนั้นให้ถือไว้บูชาในเวลาสั่งผู้เท่าอ่านทีรัญญ บ, บัตตุพันนบัตหลังจากหดสงแล้ว ฮเรัญญบัตสุพันธบัตหลังจากหดสงเราเนี่ยก่อนที่เขาเขาหดสงเสร็จเขาก็จะอ่านฮิรัญญบัตให้ฟัง เ, เหล่าหลวงพระวดาผู้นาน้ํามาจากคงคาสาระภูอจิระวัดีแม่น้ํามาฮิเอามาหดเอามาสงแกพระสงฆ์เจ้าอะไรต่าเล่าให้รู้มันมีเวลาเล่า เ, าเจ็บลิ้งเก็บเก็บ ในนี่แล้วอยางนั้นใบสีใบสีใช้หนึ่งคู่เดีว่าเทียนอาเทียนใช้เทียนอาเนี่ยใช้ขี้พึ่งดีนักเล่นนั่นหนึ่งบาทปักไว้ที่ใบสีข้างละหนึ่งเล่มใบสีซ้ายขวานี้ยกมาตั้งทางซ้ายทางขวาของพิกษุเวลาทำพิสีอันนี้ละเยบสุพันณน้ำบัตรน้ำหอน้ำสงน้าที่จะหอจะสงใช้เป็นน้ําหอมน้ําข้ามมิ่นน้าอบน้ํำหอมอย่างเนี้ยใบผ่าเจะนะมีโอเป็นต้นไป็สงข้าเป็นเจ้านายก็ใช้หอยสังเลย กาหรหดสงัดโคงหดไปตั้งไปทางทิศตะวันออกของบอดหันหัวหน้าไปทางทิศตะวันออกปูห้ามตาเปลี่ยนตาขึ้นติวโคงหดทั้งสองข้างเอาใบาสีไปตั้งไว้เอาก้อนหินวางไว้ใต้โค้งหดตรงคอหน้าเอาหยาแผลกใบกล้วยไปวางไว้ ก้อนหินเอาผ้าขาวบางๆห่อหลับเงินหลับคาไสรองลงไปที่รูคอหนา้าปลูกต้นกล้วยต้อ น, ตอนอ้อยจากสาราลงทําโคงหดยาวยืดเอาผ้าขาวกันเป็นเพดานก้อนหินที่พระจะนั่งเอาผ้าขาวแล้ไม่ได้เวลาบ่ายโมงนี่มนพรสงฆ์ลงมารวมกันที่สาราลงทําแล้วก็อ า, าราตนาสินอาลัตนามงคลอาจจะมาไปเทศมาสามวันออนี่ที่บ้านบาททองวายจะเห็นจังไรเงียพผ่อนะ เวลาเขาเฮคนเปหอดม่อะไรเราเข้าเปิดเพลีพิกปิ่นทองลําเพลินเปิดฉาทั้งสื้อชยันโตใสเทิงปินแดงแกนปุ้งโอ๊ยปาดเอากวยสุกประจำประแดดจนมันหวานหรือเหม็นโอ้ยอายุนี่เห็นยอดหมัดหลาปีหลักมาพอโม่ถือหมัห้างเกี่ยวก่อนนู้เดินเชียงเขินหนาวลงโบหมือเดินฉเราเดินฉันเราห่อนเดินหาพตาวหนาวอีพอใหญ่ไเสื้อเยันโตใสเทิงปิ่นแดงแกนเต้นมากระตตรองก็ปานเอากวยสุกจระประแดกมันผู้ใดบอก เป็นไปทั่วทุกวันเนี่ยนะเดีกคนโบราณเขาทาอย่างถูกต้องมีระเบียบหนูรสงเจริญพุทธมนต์เมื่อรับศีลละพรเพียแล้วยังสวดสยรุ่นนะโมเบพุทธเตจตตาละตังมิตมิกเตตปฏิตปติเทวานยบลเมงตัะปฏิปมาจะอินท่าจะตุโลกาคัมภีรละกันตาตัทฑาผู้ตงคางกาจะาลาปะติญญาปสุทิตาวันนเปะลันีทะลันี้นเป็นนวน เดีย๋ยวนี้ไม่มีดอกอยีปิโสจะยันโตใส่เชิงบินเดียงแขนกันเอาไปมั่วไปหมดเลยประสงคจะเลีพุทธมนตรีเรียบร้อยกัโยคัน้ำมนต์ไปถวายสมภารต่อการหอดสงรุตรใดก็บอกสมภารเราจะมาจะเรียกปิโสลูนั้นเข้ามาทําเนียมมีว่าญาติโยมจะหอดสงสปิโสลูกใดปิดเป็นความวับมาให้ร่วมร่วมประสงค์ระยะโยมจะแหงแห้งมาไปถึงแล้วก็ น, นั่งบนศิลาอาบขันนาไปทางที่ตะวันออก ป, ประนมมือตั้งใจและลึก ถ, ถึงพระจันทรตา้ พระพิษุภูธาเ่าะจุดเทียนกิ่งเทียนกาพิฮองหดแล้วก็หลั่งน้ํำอบน้ําหอมลงสู่หงหยาโยมก็เริ่มหดสมก็สมขวดเทียนโตน้ําหดรงเือเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ต่างก็เอาพาชันหน้าของตนลองรับเอาไปหดจงลูกล้านให้หดสจงใหงมัวให้ควายเบื่อให้ยูเย็นเป็นถุกวกมห้อและศพตีคองตีคลองเป่าปีซีซอดูเป็นการสนุกคึลื้นเวลาหดเป่าคิมพินเทียงปิงเทียงแคนตีคลองตีกลองขึ้น เมื่อเสร็จจากการหดแล้วก็ทำพิธีพินทุปัญจุอธิษฐานผ่านนุ่มมผ้าไหมสวมวอมส่หัวฟะาแล้วก็หมผ้ายีมือซ้ายถือไม้เท้ามือขวาถือตะละบัดกำมือขวาแน่นๆตีของสามสี่เศษคาาใส่กำปั้นใส่หะนาทังมะพนไตเรบรไปด้วสาสุอุยสาธาาใส่โต๊ดรมืยว่ากำปันแน่นๆแต่กะเดี๋ยวนี้จะเป like like ็นย right. uh ่างไนเพิ่ทีกําปั้นแล้วก็ทำท่าปะกมมิีูมใส่กำปั้นตีจ้าไม่ได้ไม่ไม่ไบ่ได้บูจักจีบต่ เสร็จแล้วเป็นยังไงขันแล้วก็แห่พิสูจไปยังศาลาลงคํานัง่งบนอาณนะ ท, ทรากลางสงฆ์ประชาชนถ้าไม่แห่ก็นอนให้เหยียบไปเลยลหลายๆคนมันกันนอนเป็นเท้าใหเหยียบเหยียบเยียบเยียบเหยียบต่อๆกันไปแล้วก็ไปจนถึงอศาลายาโยมนำขันมากเป็นองตนมาตั้งไว้ซ้ายและขวาของพิสูจนั่นผูถาวโจทยเทียนเล็กหึงคู่ของพิสูจนนั้น ก็ถือเวลาถือเทียนเล็กนันต้องเอาใส่แค่เอาเอาเอ า, เอ า, เอาแขนซ้ายกายแขนขวาไข้กันครั้งหนึ่งพูดเท่าก็เอาเทียนอาบที่ปักขันหมักเบ่งซ้ายขวาจุดแล้วอ่านฮิรัญญบัตรสุพันนบัตรจบแล้วก็ดีพินเป่าปีศีซอการั้งนั้นหรือบางทีก็สู่ขันบาสีของท่านไปพร้อมเสร็จเพราะว่าชาวบ้านจะทาเลื่อมใสอ่านฮิรัญญบัตรเสร็จเรียบร้อยก็สู่ขัญบาสีให้แก่ท่านครูบาอาจารย์ที่หกสอ ทานะผู้เท่าเสียงดีๆผ่าเขาเขาผ่านบ้านทาพิธีคนโบราณทาดีนะเป็นการรวบรวมเอาความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านลอ้ลอมลงมาเป็นรูปประทัมสักทาต่อท่านปฏิปทาที่ท่านอยู่จะได้เป็นหลักช้ยไม้เท้าหลังจากนั้นก็ถอยคำกลมเก่าที่ ไพละงดงามแสดงออกให้พรแก่ท่านพรมาจากลาสมาบลาระแปลว่าประเสริฐชูขวัญให้มีขวัญมีกำลังใจให้มีสมาธิโดยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่า้มีกำลังที่กำลังใจประพฤติมมาจันทรสืบต่อไป พูเท่าอ่านฮิัญยาบัตหลังจากนั้นก็สู่ขันบาศีศีสิทธิประพรบวรเวลาวิเศษอัติเล็กดำเดโรมห่อระถระเถกอัาอตุมาลมาหุนเตโซตยมังกลานสวัสดีไม่ตีจงมีแก่นักขุมนุษย์คุมกันกันทัพปดดาสุลาสุลินอินพมณมาชสุนักต่างสมังลังอุตมอุตมโยอุตมเดทีอุตมณิตีอุตมาสังตมาสีปีลาดอินทภพพรายาง ทางมาวังคาดคู่ผ่ำกันโยสละนตะลอนอาทิจันจันตะเลิกอังการเถิกมหาไตรพุทธะมหาไตเป็นโศกสุขเศรียโกรกันดีวันดีทีอมุตตาตกปฏิติยงกผ่ำลักนาฝูงขาทั้งลายทั้งหนึ่ใต้หน่ยใหญ่อุบาจอกอุบาสิกาทั้งหลายผ่ำกันมา่ทุกแห่งมาแต่งกันกับไหวแก่บาตีจงโจดเวนามุลันธาติเศแล้หมาณีฝูงขาทั้งลายหาแ ก, กเพิงบาลังสิทธิตันนั่นแล้วยัง อธิษฐานให้เป็นพรทีโกถาปะตมมาโกถา ต, อ, ต อ, าถาอันตนหนึ่งนั้นกอนตะวายสมมาบูชาเจา้าอวตนตะอลงตุลาติคุณอันบิเศษในกรงเขตอาหารแถมสมพันธ์ตัวฟิง้งไหวเป็นหนึ่งมงคนเป็นบุญและที่เคยเงีกว่างอยู่สุดตนนะ่างธรรมนธรรมเจ้าตาเท่าห้าาอยสาวภวระวรก็ขาดเทอน ถั ว, วตีเงาพะพรอนอันตนตรองทมพน้องหนึ่งมามากบนหลนหลากละลายพันภายไปยังแพร่กว้างเป็นที่อ่างแกโลกโลกาฤาษีตกตกแห้งตกแตงผอมธนาทางปัญญาแต่ม น, น่อมืนมากลับเ่ินบาธาตักระลาบูชาเจ้ากูทุกวันก็ขาดเธอ ตาึงเง่อนอันตรนามดูใส น, นง้มแหลงหงุ่งปันดังงานแสงภาคตัลยเงยพงขึ้นมังชูเขาอยกันทอนให้ได้แถมน้ำมาก่อนขึ้นเป็นสมเด็จอาาวละละละละรลาหลาดราชคูดูงามทีใสสะอาดห้ได้รังสนบาตมาตันนาประชาทแก้วและเมงซอนอพอน แ, แลแก้วจึงเงินตกึงพรมเงินตาทังนึงถ้าท่านลายมือต่างเมือ ง, งมาไว้มีดอกไม้แก้วและน้ำคานำมาตะวันปอมพังปลอมนอมนอมบรราโลกาทั้งดนนนี่มาปันตองหาจ้กู ดูโดยจอหลกนองพอแสนต้นตพันเด่นบรนแปวพระไตปีโตแก้วตั้งซามก็ขาเทินไหวขีกาด ม, มันหลายพดเป็นนั้นว่าคนโบราณนั้นทามีความหมายเวลาที่ท่านหอดท่านสงให้พระนั่นท่านทําอย่างมีความหมายซ่อนปิจนาทําเอาไว้เวลาหอดก็ให้พระไปนั่งดอมยอ ง, องยู่ใต้ก้อนหินนั่งอยูบนก้อนหินมีหญ้าแผ่มีต้นกล้วยอ้อยซอยปี้ ทำไมต้องไปนั่งบนก้อนหินอ่อนห็นนันงเป็นเครื่องหมายทั้งความหนักแน่นมั่นคงสิลังศิลาวิญญาตแต่ว่าภาวะปกติหนักแน่นมั่นคงเมืองแผ่นหินลมพัดมาหินไม่หวาดไม่ไหวเป็นเครื่องหมายเป็นแต่หว่านี่คู่อบัสนีลกูกหลานชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาออกตระ น, นักโนบต่างหลายมีความศรัทธาในปฏิปทาการประเพ็ญปฏิปปบัติของท่านขอใท่านจงมั่นคงเมืองแผ่นหินนี้นะอืขอให้ท่านจงมั่นคงเมือนแผ่นหินนี้ จะได้มันเงี่นค้อนแทนในทำริในนี้ตรงมันคอนให้เจ้ามันมันเห็นแผ่นเห็นเหมือนให้เจ้ามันมันแผ่นหินลากให้เจ้ามันมันอาบเข้าอาบเข้าไปโซเมนไอ้จะเหม็นเบาหนักลิ้นมันเป็นแผลกุยักเป้นอั้นว่าชาวบ้านต้องการให้พระมีศีลไม่ใช่อะไรหรอก ให้มันมั่นมันคงเหมือนกับว่าเป็นก้อนหินเสาเขื่อนใหญ่ไว้ทิ้งให้ชาวบ้านได้กราบได้ไหว้ฟังรักมันให้ล่มตีห้อยหาทอดจนหนึ่งแห้ง ห, หนาบนล้มันเดีวยวอย่างคู่เอ๋ยกระดับยาเบ่งมันเงียนก้อนแคนอย่าทำหน้าไหว้ลังรอข้างหน้ากันหลอกข้างหลังกระแตข้างหนังข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมหลอกรวมโดยไม่เอาน้าอย่างคูนะ้าให้ก็นั่งอยู่บนก้อนหินคือนั่งอยู่บนศีลมั่นใจอยู่ในศีลที่พระพุทธเจ้าได้สอนแล้วอย่างนี้ ต่อมาเมื่อเขาห่ดเข้าสองน้ําอบน้ําหอมหลักนั้นหมายถึงน้ำใจอันตัน้งลบอบอวลด้วยศราปาส า, าทในการประพฤติปฏิบัติของท่านท่านอย่างเหม็นนะนะคราบว่าท่นานอย่าชื่อเสียงให้แก่เหม็นแกตัวท่านเหม็นแก่พะสาทเป็นน้เหม็นแก่วดัดแกวานนะเดี๋ยวก็ได้ข่าวแล้วไปหาขอบรนพุทธขอบันพี่พเฮกตีเป็นทั้งท่นจังที่ได้ยินข่าวไปถึงไหนละเหม็น ชาวบ้านก็จะเสียดายเสียใจด้วยจึงเอาน้ำหอมเนี่ยใส่ในน้ำอบน้ำหอมมาหอมให้เจ้าหอมจดงสีดเด้าหอมโดยจิ้นหอมโดยทรรโดยคุณนเนื้ความดีเยสุยเหม็นหึงหงายอย่าขู่ไอ้นี่เป็นอยงนี้เป็นข้อหมายหลังจากนั้นก็เวลาหดโฉงเสร็จให้กำกำปั่นปีคอง เตะคาถาสีหนาทังนัทันเตเตปริสาทุกวิสารธาตุมันเป็นที่ปากมือบุจักเป็นอีกอย่างบุไดบุไดจึงขวางเพราะมันคืออยู่ด้วยดนอยู่ดอวคน้อยพระท่นไม่ใช่อย่างนั้นนะขอให้ท่านได้เข้าใจที่บอกว่าจำมันแน่นี่สีหนาทังนัทันเตเตปริสาสุวิสารธาแปลว่า ของนี่ท่านจงบ้หนุสวยหัน้าเหมือนราชสีริออกจากธรรมปกาทําให้ตึกกองไยูไ่ใขั้นค้ามในทิศทางปวงอืที่บอกว่าวิสาลธาให้เกิดกาในทุกชุมชนในทิศทางปวงปรึกษาสุวิสาลธานะจึงให้ตีคําเมื่อตีข้องเนี่ยไม่ได้หมายถึงตีกองตีค้องธรรมดาหมายถึงเทศพระพุทธเจ้าจะไปเทศเมือ่อท่านแต่ตรู้ใหม่ๆ เดินทางจากพุทธกยาจะไปแสดงทำให้มันจะมี่ทั้งหาฟังที่ป่ายสิปตนับมิคระทยยางมันท่านก็บอกว่าทัานไปดีค้องทต่บางทีก้องท่านไม่ได้บอกว่าท่านไปเทศนอกมีอุปกาชิบกถามริประศนนานิโคเตอวุโสอินทรยานิดูก่อนท่านดูจะเริ่มผวพรของท่านองใสยินนั้นอ็สี้งท่านแจ่มใสิงนัท่านบอุทิศใครๆเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านเลื่อมใสในธรรมของใครแล้วท่านจะไปไหนให้พุทธเจ้าท่านกระตอง ท่านบอกว่าสัพพะวิทสสูสัพพิธูหามัสมิสเพสุทเมสุอนุปัิโตสัพันจหุตันหากายมุตโตสยังอภิน ย, ยยักกันหมดที่เซ ย, ยันตินี้ยังไม่ได้ขึ้นพระพุทธเจ้าตอบเขาถามยาวก็เลยตอบยาวแต่ว่าเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งตัวเป็นผู้เห็นถิงทั้งตัวเราเป็นผู้ขอบงามทำทั้งตัวทำทั้งลายทั้งตัวเราพ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาแปลเกินจิตใจของเราตัณหาทั้งหลายเราทำให้สิ่งไปแล้วเราเป็นผู้รู้ดินเฉพาะตนนะ เฉพาะตัวเรานะเมอาจาริโยอัติอาจา ร, อาอาจารของเร า, าวิไดเมในธรรมวิในนี้สเทวรกตามิโลกตตามิมิเมปฏิปกขโลในโลกนี้ก็ดีเทวโลกก็ดีเดา ก, ก็ดีค น, นก็ดีที่มันคือนไข่ น, ขขนี่บ่ดีวันนี้อาหัมวันนี้อรหันโรตเเป็นอรหันในโลก ท่านพูดจามนี้ทำไมได้เป็นครูบาเป็นอาจารย์ของใครแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าอันทะโพตสัมิงโลกสมิงอาหารยญงอมตนทุกทิวโลกเมืดด่อดวงบอดได้เราจะไปตีกรงอมตะปกโลกให้ตื่นขจานิกาศีนางปุรังธรรมาจากักรนวัดเตยตรงนี้เราจะไปยมนครกาศีเพื่อยมธรรมจักรให้ปลอดภัย คำโต้ข่นอย่างนี้โออาดแบบพระาสิท่านบอกว่าท่านจะไปตีกองอมตาอันทพูตระมิงโลกกระมิงอาหานยิงดมตตันทูพิมโลนีนวกบอดโลกเมื่ออันทพูตระมิโลนีเมื่อเราจะไปตีกองอมตะอมตะตันทูพิงปุ๊บโลกให้ตื่นขึ้นมาคําว่าไปตีกองนั่นก็คือไปเทศท่านเดินไปเสวะวันนั่ไปเทศ ท่านเหนา่อยต้องคาญที่ชาวบ้านหดต้องการให้เราเป็นพุ้มั่นคงให้บรรลือทวีหน้าเทศประกาศทำอย่างกึกก้องยนืนใจอันเป็นหลักเป็นธรรมที่ทูกที่ต้องไม่ใช่มาตัวเงาเลย นเนี่ยมมนยโมไรเฮียนธรรมะตัวให้งยมแต่ทานอตุตัวอิกาลุเนี่ยอดีตการดิผ่านมากี่รัตน์ได้สรบมาโยมให้โยมทานแ้วๆจะเด้ดไปเกินเป็นพระอินทร์บนสวรรค์สามถึงหกกลับตายจากสวรรค์มาเกินในมนุษย์โลกเป็นพระเจ้าจากกาักรพรรดิราชหสามถึงหกกาบแป็นถตัวให้เขาทานบรรจงของเอาวะสันเจ้าที่บม่ไหนต้องเข้าใจเอาธรรมะจริงๆมาพูดความจริงให้ฟังอย่างนี้ เรียกว่าบรรลูีหันหาดูกวอาพิจุต่างหลายร่างจะสืบออกจากค่าพระพุทธเจ้าทานบอกเมื่อราศรีจออกจากค่ำมันนอนมันโนแล้วมันก็เอาหินสึลาหอนมโนดาบเนี่ยมากองหินเป็นเล็กๆ่อนแล้วเกกมันก็นอนตะแคงลับไปเมื่อมันตื่นขึ้นมามันก็จะสารวจที่นอนมันดูจากหัวยันตีน่ามันอยู่ในปกติไหมมีระเบียร์หรออม่ถ่ายหินกระจายกระจายแสดงมันนอนไม่มีสติไม่หิกระจกระจมันก็จะด่าตัวมันว่าไอชาดหมา ไม่ใช่ชาติราชศรีนอนไม่ดีสอดไปแล้วมันก็ลุกขึ้นจัดห็นใหม่นอนต่อไม่ไปกินอาหารตืหอมาดูอีกถ้าจะไป ก, กระจาย ก, ก, า ก, ก, าก็ด่าตัวเองไอชาดหมาไม่ใช่ชาติราชศรีนอนไม่ดีสอดไปก็จัดหินใหม่ให้ไประเบิดแล้วก็นอนใหม่เอาหางเด็กก็ไประวังขานอนตะแค ง, งข้างขวาในที่สุดตื่อมาที่นี่มันคงเหนื่อยคงเพลียมากไม่กะดูกกระดิกสำรวจโอ้ดีรีบร้ ย, ยไม่เป็นไร ถอย่าง น, นี้มันก็ชื่อนใจมันบอกว่าอื่จริงเป็นชาติล่าสีมันชื่นใจมันพอใจตัวมันออกจากทับ ม, มองไปทิศสังศีบัลลื้อสีขนาดร้องคํารามอย่างตึกต้อมด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นระบบของมันสัตว์บนบอกวื่งเข้าป่าสัตว์ในรูวิ่งเขา้ารูสัตว์น้ำวิ่งลงน้ำสัตว์ปีกบินทลาขึ้นฟ้าหวาดกลัวต่อเสียงของมันคํารามบันลื้อสีขนาดหลังจากนั้นมันก็ออกจับจะต่างๆกินเป็นอาหาร ก็สูดตั้งหลายแม่เธอตังลาก็เช่นเดียวกันเธอตรงบันลือสีขนาดเหมือนราชศรีที่ว่าสีขนาดาันะหันเตเตยปริสาสุวิสารธาที่กรรมกบั้นส่วนแล้วตีห้องมันไม่รู้สีานาเหมือนราชศรีในยามปฐมยามตอนเย็นเย็นเธอจนทําสมาธิภาวนากาหนดจิตกําหนดจติตสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งไว้ในใจให้ดีๆหลังจากนั้นเธอก็เดินตรงอม เธอร้องข้องบันดาลขยายบทธรรมต่างๆหนังสามารถที่กําหนดสามาธินิามาิตแลต้วเธอก็เดินจงกรมขจับขวาความม่วงเมื่ว ง, งเลยปฐมพยายามสามทุ่มไปหาสี่ทุ่มเธอกําหนดอย่างมีสตินอนลงไปฝันฝีหะปัหญานอนแบบราตรีรพร้อมที่จะลุกขึ้นมาในขณะในยามปฉิมยามไปสามอย่างที่ละครั้ที่นี่ตีมึมมึีสามท่าท่ทานจะตื่นแล้ว ท่านก็มาฟรีหายาย า, ยามประชิมยามเริ่มตีสามเธอก็กําหนดมีสติเตือนเมืม่อเตือนแล้วเธอรื้อุกขึ้นล้างหน้าทำศีลละกิดขจัดความนุ่งโดยการเดินกลมๆกาหนดสมาธินิพพันัยอันหนึ่งไว้ดีๆในใจแล้วเธอการ น, นั่งสมาธิกําหนดจิตติมสว่างเมื่อสว่างแล้วเธอทบทวนดูสินของเธอสมายขัตสาหีสมาธายะ จงมีสัมปันน่ะสีราพิฆเวรวิหารทัสัมปนาประโยโประโยโมกะสร้างวาลัสมาธายะสัมล้มปาตโมกสัมลม้มในสิ้นเจคขาโย ศึกษาอยู่ในสิ้นในป่าเตี้ยงง้อของตนเองสามารถทานเทีนพร้อมในป่าเม็เพียงเล็กน้อยสำหรวจตนเองว่าเออเราไม่ได้ทำบาปแล้วไม่ได้ช้ำชั่วแล้วไม่ได้ลอกลวงชาวบ้านแล้วสู่สัตว์ต่อสิ้นต่อทำแล้วเธอก็เกิดปีติเกิดป่ามุดในการประพฤติปฏิบัติเธอลุกขึ้นหนุ่งซาบ ง, งทรงจีบอนประคองบาทเข้าไปในบ้านด้วยปีติป่ามดุดเอบอิ่มใจด้วยการประพฤติปฏิบัติไม่เน่าไนไม่เปียกแ่ะ ไม่ติเตียงตนเองหน้ามีแต่สิ่งที่ดีแม้เทวดาก็ยังสรรเสริญเธอยิ้มปีติปาโมุ่ดยิ้มเย้มบาลีศีพหน้าลุ่ยสินเดินเข้าไปบินธบัตขอทานเขาจะให้ก็ไม่น้อยใจเขาไม่ให้ก็ไม่ได้น้อยใจนึกว่าเราทําดีเล่าไปติดตีเกตามทางข้างนอเห็ุเถกแล้วเขาจะเวี่ยงทั่วเมืองก็ตามค้อนฟังรักหมัดเล่มตีห้อยหาถอดกระเืองแม้นานาบบอลลีศีพหน้าเข้าไปในหมู่บ้านที่ยวบินธบัตเห็นไหม บรรลุที่ขนาดคือยิงยงย่งยิ่ยิ่งย่งอยในจิตในใจถึงสิลงที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติถึงปฏิปทาอันดีอันงามที่ทํำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่กึงข้าวชาวบ้านเสียสซื้อข้าวแต่ละเม็ดข้าวเมด็ดหักผักเต้นใดที่ชาวบ้านถวายจากักตนบุญเป็นกุศลเป็นเนื้อนาบุ ญ, ญอย่างนี เพราะเราได้ทำให้สมควรแล้วเราไม่ปาธนาอะไรมากกว่านั้นอย่างนี้เป็นเนื้อนาที่เกิดบุญเรียก ว, ว่าบัณลุสีขณูตตะตาทำในที่ทั้งวงมันก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลสมควรแล้วที่เขาหดเขาสงเทราพิเศษแต่ว่าแต่งตั้งให้เป็นผู้บันคขงมาหลังน้ำจิตน้าใจมาเป็นรูปประทรเขารอ ท่นน า, านจงบรรลสีคันนาฏโมนาตศรีออกจากคัามมั่นใจในศีลในสมาธิในปัญญาของท่านผู้ให้โยมฟังท่านให้โยดูดูให้โยมเห็นเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทำบุญก็ได้บุญเป็นนายไปชนีที่สื่อสัตว์ไม่ใช่เอาเงินกองหอดที่เขาหดแล้วไปขายขายแล้วก็ซื้อเรล็กที่ไวเอาไปให้ลูกให้ล้านทาอย่างนี้เป็นเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญเลย พระพุทธเจ้าแบบว่าดูความไ่จงหลายเปลียนเหมือนชาประมงเอาเล่อเอาใส้แต่วางไว้อยู่ที่ปากนาเพื่อป่าถนาฝงป่ายัอไม่เป็นไปเพื่อความสวัสดีความสดที่แก่ฝงป่าทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศความด้อยยับแก่ฝงป่าการกระทำอันใดที่ไม่ดีไม่งามของพวกเธอนั้น จมเป็นไปเพื่อไม่อานุเคราะห์แต่โลกเพื่อชุมชนจมเป็นไปเพื่อความพิลัญาจมเป็นไปเพื่อความไม่ประสบบนอันยิ่งใหญ่แม้ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันพวกเธอก็จะกลายเป็นดาบที่หมกไวในทีวอนเป็นยาพิษอยู่ในโลก นี่เ่อนหลายตรงสำเนียจอังวรระวังเอาไว้ท่านได้จนนัหลายวันนี้แต่โด้ทําบุญแก่ข้าวแล้วยังไม่พอท่านก็ยังไม่ ท, ทําเทนาพิเศษหดสงน้ำพระเราจะมาด้เหล่าเรื่องการหดการสงมาเพียงพอพอให้ท่านนั่งหลายจะได้เข้าใจการหดการสงนั้นก็คอยพิพพพจิตรณาดูให้ดีๆทําบุญให้มันถูกมันต้องแต่หากท่านจะทํากับพระที่ท่าน มีปฏิปทานีงามขนาดจนไปสันเกิดไปทามมาทันดีนยังไงท่านกินยังไงท่านฉันในบาดหรือท่านฉันในภาชันนะถ้าหันฉันในบาดก็จงพยายามหาบาดที่มันไม่ขึ้นตอนนิ่มง่ายบาดเครือบลูกกว้างๆเ้าเรียกว่าบาดใหญ่เพรมันเป็นโลบเด้ อาหารว้างข้าวท่านตาลงไปจงนั้นถ้าบาดเคลือบดีๆมันก็ไม่เกิดตอนนิมพะจะไม่เจ็บท้องเจ็บไก่แต่จะให้ดีก็บาดสแตนเลสแต่มันแพงอย่ายอยไม่มีเงินมีทอง ม, มากก็จงทําบุญอย่างตายอยาก็เอาบาดเคลือบดีๆนั่นแหละ ท่านจะได้ชั้นในบาทถ้าเอาบาทตับป๋องน้อยๆบาทเหอวมากินสองสามวันก็คืนสนิมต้องไปกอไฟอบกันสิบวันอบไปยี่เสียเวลาเวลาที่ท่านจะศึกษาเราเรื่อี่ทําให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามแล้วอีประการหนึ่งก็อยากจะฝากญาติโยมพี่น้องเราทั้งหลายพวกเราทําบุญกันเหมือนขุดหลุมสังศพตนเองจะทําบุญแจกข่าวที่ก็จ่างหนังจอนึงจ่างมอลำมาให้คนดูข้าวมวข้าวควายโอ้ยจีพายบายบ้านหมดหมื่สองหมื่นสามหมื่นทั้งไม่ง่าย ซื้อผ้ามาเป็นไตถ้าไม่ซื้อเป็นไตขาซื้อเป็นไม้หรือแบบพระที่ท่านตัดเองหมเอผ้าตีกกอย่างนี้เอาอาหารมาไป็เือใเือมาลงวัดมาถวายเลยท่านก็ไม่ได้เสียเงยินมากถ้าจะให้ดีอามายอยากจะพูดอย่างสมควรที่เราจะปริรูปแล้วมันดีม า, าแกข้าวสมมติว่าบ้านนี้ตายกี่คนตายสิคนแจกข้าหมูมันสิคนเลย เอามาตั้งกองดูกลางบ้านศาลากลางบ้านแต่ข้าวโมยาจ้างหนังก็ออกมาคนละสองรอบาทต่อละสองพันมันก็ซื้อไปสองร้อคนก็เลยมาดูด้วยกันอันนี้อะไร เปยไปสิคนแจกข้าวสิคนจ้างหนังมาสิบจอมาคนะเทือบึงสิบเทือนิเบ็ดเวลาไปาทอได้สิเงินดีทองไ้โอ้ยเราทุกเรายากยากเด็นเอ๋ยชาวจีนก็าแจกข้าวปีละครั้งก็เรียกวันเทิงเมงวันช่วอยู่ไหนบาง น, นะ น, น, นี้บานเชิงเมงนะบัจากใบเชิงเมงปูจากใบย้อยพกอแม่ลุมเตียววอยู่ไหนัวนจะไปแล้วชาวจีนเขานี่เดินกุมภานี้ติดเจนหลังจากนั้นวีนาก็หวันเทนิงเมงวันเชิงเมงคือวันแกข้าวใหญ่ คี่น้องชาวจีนเขารทำเขารวยเขาทําบุญเติมพระสงฆ์เจ้าเขาไปที่บ้านเขาทาบุญทีหนึ่งก็ไม่เด็ดเมเอาโดยอามายามุกมกบีมอหลงมอลาเราี่เอาใหม Sag ่นะอยากจนตายกี่คนในบ้านนี้แต่ข้าพร้อมกันเราบอกอาจารย์สมภพบอกพระพุทธเจาหันสอนเราอย่างนี้ให้ทํามันถูกมันต้องถ้าแจกคนโยวมันเปรื่องทำไปจ่างหนังจ่างมอลำถ้าหางยางมุดจ่างหนังจ่างมอลํามาสนุกบ้างเราเคทําไร่ทํำนาตึงเทียบมื่ันก็ได้แต่เราจะรวมกันตายจะคนไปนี่ yeah, my man, my เขาพมพรอมกันเรือว่าแจกเข่าโมมาตั้งกองบุญพร้อมกันในบ่อนพระมาสวดอานิจาพรอ้อ ม, พรอมกันเทบกระดูกมาพร้อมกันแล้วทีนี้ก็มาทาบุญน้ยถ้าเขานากันกล า, า, างคืนจะตั้งกลางนั้นก็ได้ออกกันคนละสมัยยิ่งยี่สิบคนก็ออกคนล ะ, ละๆๆน้อยด้อย่างนั้นจอใหญ่ปึ๊แจกเขาโมเด้อมันูกมันอยากในห้องชาดเาเป็นลูกศิประพติเจ้าบุได้ย่อสให้เราชาลัดไม่ได้สอนให้เราอ้ออันนี้อีนั้นผู้นี้ตายเลย้ฉันแจกเขา ข่าวกันนาตากันบ้านตีเงินเตีทองมาถาม อาอาจารย์พบบอกผมจะบวชนุ่ชายสามวันจาน้างหนังจอหนึ่งมาทําบุญหาเมียทีตาอาตมาบอกไม่เอาไปทำบัตรเื่นก็แล้วกันบวชสามวันมันจะรู้เรื่องอะไรกองบุญกองหนึ่ต้องเออเป็นพันพันกองพัน 1, 000, 000, 000, 000บาทบวชสามวันยังไม่ได้รู้เรื่องอุปชาทุกวันนี้ฉันไม่เรื่องท่านจะถามอนานาโนซี่มาเลยเป็นหนี้เป็นขินมาแล้วมนุษย์โซที่เป็นมนุษย์จิตใจทุบมาหรือถามอะไรหนักยั ง, ยงบวชหัวมะพันเตแม่ย่ากเดินหนักบวชเขาให้มีเงินไปคลองไปท่านบวชให้รอด ดีบริบัติถามก็ฮ้าไโนโช้ชมีเงินมาไหมส่งมาาเบอชให้ถ้าอาดอารมณ์มาไม่เอาสงสางเินสีเงินสีฟรีบอดสามมันไม่คุ้มราคากองบุญ ม, มันก่อแพงยิ่งบางคนไ ป, ไปก้างหนังไม่เขาดูเขาว่าจะดีรอสองหมือสามหื่บจะเป็นดีพอไงแจกเขามีเล่าได้บนหนังแต่เวลาพอไงบีเงินซื้อข้าวกินไปขอเขายืนนะรอยสิบาทขบัตไปสิบาทมาห น, นาไหนเขาโดนตัวเลืบาดเนีย เราอย่ามาโง่เป็นชาวพุทธต้องฉลาดทำบุญชี้พายทำบุญไม่เป็นทำน้อยๆได้บุญมากมาๆทำบุญทุกวันนี้เหมือนขุดหูุมังตนเองยิ่งทำยิ่งชีบพายแล้วแม่บอกว่าอฮ้ยเฮ่าบ่มีบุญเฮามันถกมันหยามันเห็ดบเ่ เ, บ เ, ป เ, บเป็นเห็ดบุญไปเลยเฮงถูกตายดีบาดเนี้ย ทำให้มันทุกข์ทำให้มันสมมันเนาะมันสมมันทุกมันต้องมันกลมมันตืนปฏิรูปปังโอปายีกันโดยอุบายที่ชอบเราเป็นลูกศิษย์มาพุทธจารทีนี้เอาใหม่นะญาติบดมนะจะทําบุญเจรเข้าเนมาแจกข้าวหมูกันดีกว่ามันทุกข์ปัญญาเราได้ขุมมือนีนแผ่นดินไทยไม่ได้กว้างออกมาลูกล้านของเราก็เกิดมากขึ้นอะไรอะไรมีตัวแนวยางไหนอย่ากมียากเป็น มันก็ต้องสมควรแล้วทำบุญก็ทำให้มันต้นแต่ข้าบูกันเหมือนชาวจีนพี่น้องชาวจีนทำไมเขาร่ำเขารวยเขาทำบุญตนเขาขายันเขาประหยัดเขาไม่ฟุ่มเฟือยพวกเขาเนี่บูงอไบุญพเวทขากล้วยทิพย์ตัว บ้านในหน่วยเจ็ดสิบหังคาค่าไฟสามเกือตั ว, ต ว, ตวละห้าหกพันหนังจอหนอีกปาทั่าเหล่ามดไปอีก้าหกทั้ทงไรยเศรษฐกิจฝังตนเองลงไปต่อไปก็เป็นหนี้ไร้เป็นหนี้ทหารก้อนมากขึ้นหลังสูฟ้าหน้าถูดินทำงานเกือบตายใช้หนี้ไรซใช้หนี้ข่าวใช้หนี้คนอื่นไม่พอ นับวันที่จะล้มละลายอย่างนี้ไม่ฉลาดเลยอัตตะสมาปณิธีจะเอตมังคารมุตตานังการตั้งตนโดยชอบเป็นมงคลอันประเสริฐตั้งตนโดยชอบอย่างไรตอนอยู่ในฐานะภาวะอย่างไรควรจะทําอย่างไรให้ตั้งตนให้มันชอบมันถูกมันต้องเพ็นช่างที่อย่าไปขี้ตามช่างเรามันถูกมันยากทำบุลแก่ข้าวไม่ต้องมากเอาซื้อผ้าสวยกักมาไต่หนึงอาจจะมาจะแนะวิธี ไปหึ่งที่ผ้าทานจะนุ่งใส่สมมติว่าผ้ากรรมานมีที่บ้านพระตุ้งมีวัดป่ามีถ้าเป็นพระวัดบ้านก็ซื้อผ้าเป็นไตรมาแล้วก็ซื้อบาทซื้อบริการมาเสร็จเรียบร้อยการคืนนนทรท่านมาเจริญพุทธมนต์เช้าตนตนางคืนนมนท่านมาสวด ม, มิาุคตอนเย็นเก็บหลและเจริญพุทธมนต์เช้ายก กองนันแหละลงไปที่วัดที่ซื้อมาพร้อมนั่งอาหารหวานข่าวลงวัดไปถวายท่านเลยท่านก็จะได้รับอนุโมทนาซาเดนทำให้ฟังได้บุญได้กุศลไม่ต้องมาซื้อลบซื้อยากไม่ต้องมาจั่งนังจั่งละครก็ได้ก็เป็นบุญอาดมาเชื่อว่าผู้ที่ตายก็ไม่าาาตาถนัดเราดูเหม่อนลูกทุกยา ก, กือบตายไปชื่อตเงินกเกษมมาแจกข้าวไม่พอให้แ่พ่อแม่ดินยานพ่อแม่รู้ก็คงไม่สบายใจโอ้ยลูกกูเป็นหนี้แล้วเนาะบาปหนิเนาะ เอาอย่างนู้นใส่คนแห่งอุตหแหงอย่างค่ะแม่เรเอกปีนาซอยังกินเนาะแก่ข้าวพอขาพ้าแม่พอแม่ได้กินเนาอีเดียวน้องนั้นเอาไปจ้างนังจ้างละครแสดว่าชีเมี่ยงใจชีเมี่ยงหัวใจชี้จรน้หัวใจหลังออกมาเป็นข้าวเป็นอาหารมาเป็นกองบุญให้พ่อให้แม่ส่วนแกนหัวใจไปซื้อเหล้าไปซื้อควายมาฆ่าไปซื้อนังจา้างนังจ้างละครมาดูอันนี้แกนหัวใจแกนสาร เป็นงเงินมากแล้วบอกโอ้ยแจกบ่อใดบ้านนี้เนี่ยที่สนามเจ้าทนนั่นบนถี่แจงถ้าทําอย่างถูกต้องอย่างตายายไม่ฟุ่มเฟือยทานก็หานให้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่มันสะอาดบริสุทธิ์ดีงามให้พระท่านได้ใช้ได้สอยสิ่งไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อมาก็ได้ยังพวกไอ้พวกพานมาพานภูอะไรใส่มาในกองขดกองบวชอย่างเนี้ยพระไม่ได้ใช้แล้วละทุกวันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ เอาเดบั บ, บนั่นฉีบอ น, นั่นคอเลวอัฐบริครันในสิ่งที่ไม่จะเป็นเราไม่เอารองเท้ากดโอเคใช้ได้ถ้ากดซื้อบาตรือบริคารแล้วก็กดบักระทใหญ่นเนี่ยพวจะตัง้งนอนน้ำตาลน้ำดงดีกูจังนิดหน่อยแค่นี้พอแล้วก็ปวดออกทิ่งส่วนที่ไม่จําเป็นพวกเครื่องปูเครื่องอะไรต่างๆที่มันซุ่มเฟือยส่วนประกอบประดิษฐ์ประดอยในกบวยตัดออกไปเอามาเป็นปกดเป็นปกระทนัก ถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลการแก่ข้าวของเราก็จะดีขึ้นอาจารมาเคยเล่า อ, อย่างนี้ทางจังหวัดอุรตรดิอถ์บอกว่าเอกคืออาจารย์ชมพบว่าเป็นยังวสันบนัณฑ์สางเสี้ยนมนั่นนะพอนเขาเลยแกข้าวบุหเลยคนนั้นแก่ข้าวห้าคนตั้งกองบุญห้ากองเลยสลารการบ้านก็ไปจ้างหนังมาแค่หนึ่ง ไปจา้างนังมาจอจานึงจ้างนัมันก็ไม่ไเ็งเพราะมันหลายคนอย่างหาคนหมอไวกันทาคนละ5้0ก็5้าห้ายห้าออกไปห0า้ 5, 5, 500, แต่นังบนนุญนดีเอาละแค่นี้ก็พอแล้วที่าบเราเอาบุญแต่ข้าวคนเดียวไปจา้างนังจองนึงฟ้าก็ไปตั้ง 2,000 ั้าควายก็ไปอีกตัวหนึ่งห้าพันเ็ดันเข้าไปแล้วซื้อ บ, บุญอีกอาจมาไม่ทรา ح. บอย่างนั้นก็มากกว่านเข้าไปแปันแล้วเล่าอย่นี้น้นนองโอโ้โหก็จะแก่ข้าวเสร็จหมดเป็หนหมื่น ห้าหาบ้านนี้มีคนตายห้าคนแจกข้าววันห้าครั้งหมดห้าหมื่นถ้าตายสิบคนหมดแสนหนึ่งเงินแสนโดดไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนที่มาดูหนังโดยละครเขาก็ว่าเราดีดอเขาจะได้หาของมาขายจะไลยดูด้วยอู้จะ็นเหล้าดีเนาะเหล้าแจกเข่าเนี่ยเบิ่งหักเหนี่ยวไอแต่เวลาเราคู่เราอยากใครเขาจะบ้านเราดีแล้ว ขออยู่เาจะเอาร้อยแล้วสิบรอยแล้วสิบเขาไม่มา่าเราดีหรอกเพราะฉะนั้นเราเป็นลู้ศิษพุทธเจ้าจงทําบุญให้มันเป็นวิจยาทานนางสุขตัดสะประตัดสั์ทั้งเลือดมีดีแล้วจินให้ทาน พระพุทธเจ้าหันตนละสนปุญญานิกดีลาทัศุขาวะหานี้จงสั่งสมแต่บุญชนิดนําศุขมาให้อยาสั่งสมทาบุญชนิดที่นําทุกบุญนําทุกกรณ์มีไปยืนเงินเข้ามาจา้างหนังประยืนเงินก็ใส่มาแจกข้าวให้พี่ให้น้องให้ปอกให้แม่แล้วมันก็นํำทุกมาให้เป็นหนี้เป็นพินเกิดมันให้มันแรงต่อไปไม่มีเงินใช้นี่มันจะโดนเสียไร่เสียนาขายมือขายควายกันใช้หนี้อย่างนี้ ก็ว<น>ิโว่าทําบุญทุนิธีสั่งสมพึ่งความทุกข์ปุญญานิจีลาทะทุหาบหารหนิสั่งสมแต่บุญที่นําทุกมาให้เราไม่เอาเราไปอยู่สุดพระพุทเจ้าเราต้องทำให้ ม, มันถูกมันต้องเห็นมไ้มชาวจีนเขาทากันเขาไม่มีงานทำเพื่งจีนังก็มีงานติดทีนก็มีวันเชิเงหนึ่ง ก็พอแล้วเราเหนือปีหนึ่งสิบสองเถอะเอาบุญในเหตุ้องยังมาพอยังบุญแกเข้าขึ้นบนนับนไม่ลงบันเกาเอาเสาลงลุมขึ้นโอ้สารพัดอย่างบุญหน้าบุญไ ม, ออ ม, อออม้อีกน้อยก็มีร้อยกระชอนเื้อขึ้นมาอีกน้อยก็มีบุญบังไฟเพ้อขึ้นมามีถ้าบุญประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาแล้วมันก็จิบหายบาดบอดอาขวัญ น, นี้เด็ยกล่าวทํานี้กระพ้ามานานพอทุอ่มคนแล้วสุดท้ายขา อ, อวยผรอนท่านดังไรจนประสบความสุขความเจริญ ขอบุญญาอานิสงส์ที่เหล่าทั้งหลายได้ร่วมกัน ก, นกนระทําในวันนี้จะเป็นภาระวัตจัยเอื่ออํา น, นวยนุ้งตรงแก่ดวงวิญญาณของท่านไปดูล่วงหลับไปแล้วหากแม้นว่าท่านบุญประพบใดๆก็ตามโปรดได้รับรู้และอนุโมทนานในส่วนบนนุญนี้หากแม้นว่าท่านอย่างไม่รู้ขอเอบรรดาทั้งหลายผู้มีทิประอําหน้าจงบอกท่านเหล่านั้นได้รู้ได้มาอนุโมทนาส่วนบุญที่ท่านเจ้าภาพอยากตระหกนกพิจารณากระทาแล้ว อนุโมทนาโลจงอยู่ยนเป็นตกตามอัตภาพตามบุญญาลำบารมีที่ตนเองได้จงสมอบรมและที่ญาติพี่น้องได้อุทิศตไปให้ในวันนี้สุดท้ายใช้ขอบุญนี้จงย้อนสนองกับเขื่อนทั้งทั้งรายในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้กระทำในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขใดเลินรับมังคนในสักคนไปพบจากปัจจุบันถึงอนาคตทั้งหมดที่ท่านรักและปาตถนะขอสุกนักรักนั้นจงสําเร็จแก่ท่านตั้งร้ายเป็นผู้เจริญโดทรัพย์ยศในตรีเจตมิตรภาพพร้อมด้วยความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังข์ขมวานชื่อมีจิต ใ, ใจสะอาดตระหว่างสงบพบมักคาอันบริสุทธิ์และสดใสส่งชีวิตในปีใหม่ให้โชคช่วงหลุ ด, ดวงไฟ ซ่องทางไปจนถึงซึ่งนิพพานคือความดับลงแห่งความทุกข์ทั้งหลายในจิตในใจโดยทั่วตันทุกท่านทุกคนเธอ